ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องแก่นสารของมนุษย์โดยพ่อท่านโพธิรักณนะพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ถ้าเราสมาพูดกันอีกเรียนกันอีกอเราใช้เวลาเรียนด้วยชีวิต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 พยายามสแสวงหาหรือว่าหาสิ่งที่ตนเองเข้าใจปลอมๆห ล, ลุ่มๆเข้าใจง่ายๆตามที่โลกเขาบอกเขาพาเป็นว่าอย่างนี้และได้อย่างนี้มาเป็นอย่างนี้มาอยู่อย่างนี้สบายเป็นความสุขดินรนสิสแสวงสิแล้วก็เน็ดเหนื่อยหนักหนาทำให้เราจะต้องทั้งเผาผลาญ ทั้งจดจำแล้วก็สะสมเอาปัญญาขี่กระโลโทเป็นปัญญาที่เป็นมายาปลอมๆแปล ง, ง, ง, ง, ง, งใส่ก็เปนในจิตแล้วก็วันคืนก็ผ่านไปไล่จับเงาหรือว่าเป็นไปตามมายาอย่างนั้นอยู่แล้วแล้ ว, ลว ร, รอดๆช่วนาตาปีมนุษย์ก็เป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าไม่มีพระสมมาสัพพุทธเจา้าที่ชี้โลกุตระอันชัดแจง้งบอกให้เห็นความจริงว่าชีวิตมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องไปที่ใดทถาโถมโจมทยานอะไรอยู่ก็อย่างที่เขาเป็นกันอยู่ดังนั้นเอาชีวิตมาศึกษาล้างความเข้าใจเก่าๆเรื่องอุปทานลด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 เขากำลังเป็นอะไรเขากำลังเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะบ้านเมืองของเขามันมีมากไปมันอยากได้อะไรมันก็ครบพร้อมเงินก็มีเข้าของก็มีสมบัติก็มี อ, อิสระเสรีภาพอะไรรต่างๆนานาที่เขาเองเขาคิดว่าเขาจะได้ทั้งด้านวัตถุเป็นอิสระทั้งวัตถุนะ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 ทุกคนมีอิสระเสรีภาพที่จะทำอะไรต่ไรในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสนุกสนานทางด้านโลกโลกีได้เต็มที่แต่เขากำลังทุกกำลังเป็นทุกข์กันเพราะรัฐบาลให้อะไรต่ไรเขามากเกินไปซึ่งเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของคนอีกกลุ่มนึงที่เขามีวัตถุมากเพียงพอ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 ไม่เจริญมีแต่ลดเป็นไปได้ความโกโหกหมดเท็ดสั่นแฝงเอาเปรียบเอารัดบำรุงกา ม, มารมใครปรารถนาอะไรก็ต้องการอะไรก็พยายามพริกแปลงทำเอาต่า ง, า ง, างนนๆนานาและจะเห็นได้ว่าอิสระเสรีภาพที่แท้จริงนั้นลดลงลดลงจะทำอะไรต อ, อะใดก็จะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบริหารคอยดูคอยแลคนนั้นทรนั้นทำนี่นี้จด ทำผิดกฎนอกกฎนอกระเบียบอะไรจะอะไรต่า ง, า ง, างๆนานามากมาจุกจิกจู้จีจจ้ไปหมดเขาบอกว่าคนใน ท, ทำไมเกิดมาเป็นคนจะต้องมีคนคอยจดนั่นจู้จี้นี่อะไรจะอะไรต่อเวลานะเขาว่าเัินพวกคนในที่นั้นจึงเป็นความทุกข์ชนิดที่เขาไม่รู้ตัวนิ่ชี้ฟังก็พยายามใช้ความสังเกตอ่านทั้งว่าคนเรานี่มันดิ้นรน ดิ่นรนพยายามที่จะได้อะไรอต่อไรขึ้นมาพยายามที่จะมีอะไรต่ไรต่างๆนานาซึ่งมีแล้วได้แล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขหรือว่าไม่ได้มีความประเสริฐอะไรนักหนาเพราะทิศทามันก็มีให้เราเลือกดูความฉลาดในทางความคิดเอารัดเอาเปรียบแบบคนธรรมดาส่วนใหญ่ในโลกคิดคือจะต้องมีปัญญามีความสามารถสูง แล้วก็กอบโกยวัตถุไว้เป็นส่วนตัวให้มากๆไม่ต้องไปถูกรับแบ่งเอาไปมากๆตัวเองสามารถที่จะกอบโกยไว้ได้มากๆเป็นส่วนตัวเราอยากจะให้ใครก็ค่อยให้ไม่มีสเสน่หาฮก็ไม่ต้องให้ใครกอบโกยเอารัดเอาเปียบใช้อำนาจตริตรแรงของวัตถุที่เรามีนี้แลกเปลี่ยนเอาได้หรือฟาดหัวใครก็ได้อย่างนั้น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 ในโลกระบบของสังคมของโลกหรือประเทศแต่ละประเทศกลุ่มหมู่คนของโลกก็เป็นระบบอย่างนั้นคือเป็นระบบให้ใช้อิสระเสรีภาพในความขยันหมั่นเพียรริดแปลงสุจริตใครสามารถมากไม่โกงมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญามีแรงงานมากๆากเ ก, ก่งๆก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้มีทั้งระบบในการสร้างวัตถุสร้างอะไรนันจริงแท้มีทั้งระบบถ่ายเทเดีวยวการพาณิชย์ นะการพาณิชย์นี่เรียกว่าการถ่ายเทยักย้ายโดยการใช้ความรู้ทางตัวกลางหรือเอาความจาเป็นของมนุษย์เอาความฉลาดในการที่จะบวกรบคูณหารกําไรขาดทุนอะไรต่งางๆนั่นนะและเขาก็สามารถเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแล้วก็เอาเปรียบเอารัดได้ได้เปรียบมีมากมีวัตถุกินสูบดื่มเสพ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 ทำงานเพื่อได้สัมผัสเสียงมาแลกเปลี่ยนเป็นสุขทำงานเพื่อได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสกายมาให้แกตนเองแลกเปลี่ยนให้แกตนเองแล้วตนเองได้รับสิ่งเหล่านั้นก็ว่าเป็นสุขนี่ถ้าอย่างนั้ น, นไม่ใช่ทํางานเพื่อ ง, งานทํางานเพื่อสร้างสรรค์ไปให้คนได้รับแล้วก็เจาะลงไป ถ, ถึงว่ามนุษย์นี่จะได้ความประเสริฐหรือว่าได้แก่นสารอะไรไม่รู้ ไม่เข้าใจแล้วมันมันฟ้ามหรือว่ามันหลวมมันออกมาข้างนอกกันจนกลายเป็นชีวิตที่หงงเหวงเป็นชีวิตที่เหมือนลูกปิงปอ ง, ก ล, งกลวงในเบาๆลอยๆงั้นละลมๆฟ้องๆไม่มีน้ำหนักไม่มีเนื้อหาสาระเพราะงั้นการทำงานจึงไรสาระ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 จิตมันก็จตวิญญาณก็กลายเป็นจิตโลกจิตโทสะแล้วก็เป็นจิตที่สั่งสมไปได้วยราคะราคะนี่เป็นกิเลสรากเงาถ้าเป็นลักษณะต้องการไม่แก่ตนมากท่านเรียกว่าโลกทาราคะที่ต้องการผลักแรงแรงท่านเรียกว่าโทสะ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 ราคะชนิดรากชนิดไม่ปลดปล่อยแม้แต่ความพยายามความโทสั์อันร้ายกาจนั่นเองไม่ปลดปล่อยนเรียกว่าราคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มาเรียนรู้ในบทบาทของจิตหรือว่าความเป็นกิเลสของจิตในลักษณะทั้งราคะโลภโทสัแล้วไม่มารู้ความจริงก็เป็นโมหะเป็นความหลง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 แม้แด้สิ่งที่ใช้ประกอบเป็นข้างนอกเลยเป็นเครื่องบริโภคนอกเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นที่อยู่หรือเครื่องใช้ไม้สอยเราก็ไม่หลงสังขารไม่หลงเขาปลุมเขาสร้างเขาแต่งมาหลอกมาลอ่อไม่หอบไม่หามไม่หลงว่ามันเป็นสุขเพราะได้มามากได้มาประดับเกียรติประดับชีวิตแม้แต่บ้านก็จะต้องเอาหลังใหญ่ ระดับชูช่ออะไรเยอะๆแล้วก็อวด อ, อ้างเขานึกว่านี่เราเป็นสุขเป็นผลสำเร็จของชีวิตอะไรต่างๆนานาก็ไม่ต้องมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งรักษายากแล้วยิ่งต้องไปจ้างคนมากวาดม า, ดมาปัดมาเช็ดมาถูดูแลอะไรต่างๆนานาสารพัด ส, สารเพที่จะต้องเป็นภาระไม่เข้าใจความจรงิงอันนี้คนยิ่งเกิดมาเมาก็ยิ่งแย่งที่อยู่แย่งวัตถุ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 ธาตุต่างๆเป็นอากาศเป็นไอน้ําเป็นอากาศชนิดนั้นชนิดนี้ต่างๆนานาไม่แล้วไม่มีละต้นไม้ก็ลดน้อยลงการสะพัดต่อบรรยากาศหมุนเวียนโคจรก็อยู่เปลี่ยนแปลงไปหมดน้ําท่าก็จะท่วมเอาอากาศก็แ ป, ปรปลวนไปการสังเคราะห์ อ, อากาศโดยเครื่องจักรธรรมชาติโดยดินโดยต้นไม้โดยพืชโดยสัตว์โดยคน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 มันก็จะเกิดการหมุนเวียนที่พอดีของโลกเขาไม่รู้เขาก็ทําลายกันเอามาสร้างบานสร้างเรือนเอามาทำโน่นทนํานี่เอามันมากินสักเกียงเลยเดี๋ยวนี้สัตว์อะไรก็จะไม่มีให้กินละหนักข้าวก็ต่อไปมันก็มีแต่คนนี่แหละล้นโลกแล้วมันจะกินอะไรมันก็กินคนเท่านั้นแหละมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกต่อไปในอะนาคตมันก็ไม่มีอะไรจะกินมันก็กินคนไปกินอะไร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 เ, ออเราได้เป็นอย่างเขามังก็จะดีฮคเราถ้าได้อย่างเง้นบังก็จะดีแค่อย่างนี้มังก็จะดีไหมรับมันมาโดยเขาเก็บประมวลเอาไอ้อะไรที่เขาสังขารที่ปรุงนันมาหนังนี่มันเก็บเอาแต่เอเรื่องที่มาเป็นรถสนญยมของโลกมาประมวลไว้จัดจัดจานจา น, จนเป็นตัวอย่างใครไปนั่งดูหนังมันก็คือไปรับกระแสที่เขาประมวลกระแสสังขารที่เขาประมวลเป็นรถของโลกเป็นอัศวะท่ของโลกเอามาใส่ใส่ไว้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 ตอนนี้ยังไม่มีแรงหาเงินหาทองก่อนจะสมกอบโกยมาให้ได้เร่งเข้าเร่งเข้าดูดเอาเงินเอาทองเอาเข้าวเอาของวัตถุที่จะมีฤทธิ์มีอำนาจเขามากอบไว้ให้ได้มากๆพอได้แล้วจะได้เอาเป็นแลกเอาไปตอนนี้ชักถึงแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงก็ไม่เหื่มหานะแม้เราอยากได้เสพไอโนนไอหนีที่เขาสร้างหลอกล่อเอาไว้เป็นสังขารปรุงเป็นเครื่องที่เขาเอามาใส่ไว้ในจิต เรายังไม่มีแรงเราก็ไม่อาจหานแหละเรายังไม่มีเงินพอเรายังไม่มีฐานะพอเราก็ยังไม่อยากได้แหละพอรู้อยู่ว่าถึงอยากได้ไปก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่มีสมบัติพอเราไม่มีเรี่ยวแรงพอจนกว่าจะลืมตาอ้าปากได้พอสมควรเอาเราว่าตอนนี้เราได้แล้ว เ, เงินเราก็พอเรี่ยวแรงเราก็พออำนาจเราก็พอเอามาันลว้ยไอสิ่งที่มันห ม, มักอยู่ในใจดองอยู่ในใจที่เคยไปถูกเขา เรียกว่าฉาพอกตราตรึงเอาไว้เป็นนิมานราดีเป็นมันก็ขึ้นปรินิมิตวสวรติแล้วทันทีเป็นตราใจตรึงใจทีนี้มันก็ขึ้นเลยทีนี้อํานาจออกเลยปรานิปรานิมิตวสวรตีนี่หมายความว่ามันจะต้องเอามาให้ได้ดังใจคือตัวนิมมานราดีคือตัวอาสวะหรืออนุสัยหรืออุปทานที่ก้นบึง้งจิตไปรับมาเนี่ย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 อธิบายที่ถูกเสี่ยมสอนมาอย่างไม่เข้าท่าไม่ใช่ไม่ใช่ษัตริย์สตะอย่างที่เราเข้าใจและไม่ใช่อุดเฉไม่ใช่ตายศูนย์แล้วก็ไม่ใช่ตายเกิดแบบที่เราเข้าใจอีกเพราะเราเคยถูกอาจารย์เรื่องผู้ที่โดนโดนเดาๆหลอกมาเยอะแล้วมันเป็นอจินไตเป็นเรื่องที่เกินคาดเกินคิดเพราะว่ามีส่วนผสมที่มากกว่าที่เรารู้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 นอกจากกิเลสอวดดีอยากอวดดีทั้งๆทีด่ดียังไม่ครบคันขีกระโโทเรามาพูดเพราะงั้นอนจินตายหรือว่าวิบากกรรมมวิบากนี่คนที่เขารู้รู้ดีแล้วเข้าใจดีแล้วเขาไม่พูดหรอกเขาไม่ค่อยขยายความหรอกขยายไปทําไมเพราะมันเป็นเรื่องจริงคนเราทําชั่วเนี่ยผลวิบากมันก็เป็นชั่วคนเราทําดีเนี่ยผลวิบากมันก็เป็นดีแล้วเข้าใจง่ายๆอย่างนี้จะให้ได้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 ข้างนอกกับสร้างโกดังไว้สร้างนนท์นี่ไว้เอาไว้บ้านหลายหลังโกดังหลายที่ดูยุ่งไปหมดหอบห่วงและตายไปแล้วไม่เห็นมันเหลืออะไรก็มีแต่จิตที่สร้างอุปทานกิเลส ข, ของข้าของข้าพอเกิดมาก็ของข้าทั้งนั้นอะไรก็ของข้าติดจิตวิ ญ, ญญาณไปเดี๋ยวไประรานเขาลุกรานเขาเอาของเขามาของคนอื่นก็ไปทีิไปปล้นจี้แข่งแย่งเอามานึกว่าของตัว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 เป็นคนเลี้ยงง่ายสุโพสะสุพระมันจะสุโพสะเลี้ยงง่ายสุโปสะเลี้ยงง่ายสุพระสุพระโรบำรุงง่ายให้สุพระเลี้ยงง่ายสุโพสะบำรุงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยอับปิจชะเป็นคนสันโดษสันตุธ เป็นจริงๆรินะเป็นจริงๆเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนขัดเกลว์เป็นอย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วนะจนลงท้ายข้อสุดท้ายเป็นคนไม่สะสมอปจยะและวิริยารำพักนะเป็นคนที่ไม่สะสมอปจยะไม่กอบโกยไม่กักเก็บ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 เป็น the the classic เป็น the c l a s s i s เป็นคนที่มีจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องหลอกหรือเปล่าไม่ใช่สร้างวันละด้วยแต่เป็นจริงที่มีจริงถ้าเราไม่มีจริงเราได้แต่ความรู้เราก็ได้แต่ภาษาแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความขัดเกลาวจริงเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลาแล้วก็สามารถที่จะมีหลักบำเพ็ญมีทุดงมีทุดตักมีองค์แห่งการ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 เรียกว่าเป็นเครื่องขัดกรรมทุตตะ <c oughs> เป็นเครื่องชําระกรรม <c oughs> เป็นเครื่องตบแต่งกรรมไม่ว่ายกายกรรมหรือวัจีกรรมหรือมโนกรรมของเราเรามีทุตตะที่จะตบแต่งกรรมของเราให้งามขึ้นคําว่างามคํานี้ไม่ใช่งามอย่างโลกนะคุณทุตตะภาษาทิกะเราจึงจะขึ้นสู่ภาษาทิกะมีอาการที่น่าเลืมใส เพราะเรามีท right ุตตะเรามีเครื่องตกแต่งกรรมเมื่อมีเครื่องตกแต่งกายกรรมเราก็ดีขึ้นวัจจกรรมเราก็ดีดีดีขึ้นมโนกรรมเราก็ดีดีดีขึ้นเมื่อเรามีกายกรรมดีมีวัจจกรรมดีมีมโนกรรมดีขึ้นดีขึ้นเราก็มีภาษาธิกะในตัวมีอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่โอ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 แม้จะอธิบายถึงวั น, นะเก้าเพิ่มเติมอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้มีตั้งแต่สุภะสุปโพสะอภิชฉะสันตุทิสันเลขาทุตะปาสาธิกะอปิจยะและวิ ร, ยริยรมพะอะไรพวกนี้ที่พูดถึงวั น, นะเก้าก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องเปรียบเป็นเครื่องวัดมนุษย์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 จี้ลงไปให้มันนิ่งไปเขาหากันเข้าไปเราก็จะเกิดปาาธิกะจะเกิดอาการที่น่ายินดีน่าเรื่อมใสเป็นอาการที่ดีอาการเราไม่รู้จะแปลว่าอะไรปาาธิกะเนี่ยเป็นอาการใหม่ของเราเป็นพฤติกรรมใหม่ของเราที่น่าเรื่มใสเราจะเป็นจริงเลยเราจะเป็นผู้ที่ไม่สะสมได้มากจริงๆอับปัจญะจริงๆ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 ในการจะไปแย่งลาบยศสันเสริญโลกียสุขโลกเขามีให้คุณแน่นอนที่สุดคุณกระโดดไปเมื่อไหร่ก็ได้มาทางนี้สิไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มาได้แล้วมันก็ง่ายแล้วจะเห็นความง่ายซ้อนในความง่ายอีกเพรอย่างงี้เออง่ายจริงๆนะสบายเรามันไม่ต้องไปขึ้นต่อลาบยศสันเสริญอะไรต้องแข่งกันต้องบุ่นวายอะไรมากมายต้องเดือดร้อนอะไรหนักหนาไม่เลย เรามีแต่เรื่องจิตที่ใยดีรู้ดีเออเราดีที่สุ ด, สดจุดสุดยอดก็เป็นคนที่สร้างสรรค์ขยันหมั่นเพียรแต่อปัจจยะเป็นคนขยันโอ้โฮสร้างสรรค์เก่งแต่อปัจจยะแต่บ่มีกายอปัจจยะแปลว่าบ่มีกายไม่มีอะไรไม่สะสมอะไรไม่เอาอะไรไว้เป็นของตัวของตนอปัจจยะอปัจจัย เออเป็นคนขยันนะมีสิทธ์นะที่จริงอ่ะขยันมันเพียนสร้างสารรค์กอบก่อเป็นสมบัติอะไรขึ้นมาจริงๆมีคุณมีค่าตีราคาก็ได้แพงนะถ้าแลกเปลี่ยนด้วยโลกก็ได้เยอะนะเออขยันมันเพียนเป็นวิริยารัมภะเป็นคนชั้นสูงสุดสังเกตดิเทีๆ1หนึ่งถึงเเนี่ยวันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่สุพระสุโพสะไล่ขึ้นมาจนกระทั่งสุดตัวสุดกวิริยารัมภะ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 ทุปโปสะมหาปิดชะนะอาสันสันตุธไม่ใช่อสั น, นตัว น, นี้สันตุธอะไรนะอะไรนะไม่รู้จักพอเอออสันตุธอับมหาปิดชะอสันตุธสังสัสงคณิกา เขาใช้ตัวอะไรตัวท้ายโกศชาเลยไม่รู้เราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราภาษาบาลีตัวพวกนี้โกศชะกุสีตะตันธิอัลละศัอีกอัลละโซอัลละศักขี้เกียรตตัวขี้เกียรตสันหลังยาวหกลำดับเป็นพวกอัวันน ะ, ะเป็นพวกอัวันนะเป็นพวกจันทาร พวกจันทานพวกไม่มีวันนะอะไรกับเขาทำไมตัวเลวร้ายสุดเป็นตัวโกศชะตัวตันธิหรือตัวกุศีตะอะไรนี่ตัวที่เกียดที่ค้างเฉยแฉทําไมตัวที่สูงสุดยอดคือตัววิริยรำภะนี่ตั้งข้อสังเกตให้คุณฟังก็มนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละ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 เรามีคุณสมบัติส่วนดีอย่างนี้เป็นเครื่องสอบทานเป็นเครื่องปรับปรุงตนวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็มีสมาลัยมรกองแปดความเห็นของเราถูกต้องทําความเห็นเสมอมีสติมีธรทรำวิจัยตลอดเวลามีธรทำวิจัยไปเอ อ, อ น, นี่ดีกว่า น, นี้อันนี้ดีกว่า น, นี้ให้เข้าร้องขอรอยโอ้แต่ก่อนเราเข้าใจว่าอันนี้ดีดีกว่านี้มีอีกแค่เออเข้าใจทะลุปลโปร่ปปรงขึ้นไปอีกปรับปรุงไปวันหนึ่งคืนหนึ่ง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 ปั่นพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกยิเกร้องร่ายรำอะไรต่างๆนานาเป็นแบบขี่โลกขี่ยาแบบชาวโลกซะแล้วเพราะเราเข้าใจวาความงามในโลกมันเป็นเปลือกก็เอาความงามแบบโลกมาปันป้นพระพุทธเจ้าเอาหมดรูปร่างก็จะให้เป็นพระเอกขี่ยาแบบโลกอ่อนแอฟ้อนรําดีดิ้นพิ้งพลายเป็นแบบโลกอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีอย่างไร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 อันใดถูกก็ยังไวอันใดไม่ถูกแก้ไขเราก็เหมือนก็บทำสังคยานาทำสังคยานาไปเรื่อยยืนยันยืนหยัดไปอัตมาก็หวังว่าอัตมานี้ได้รับแก่นสารบ้างและอัตมาเองก็ยังมีทุตตะยังมีสิ่งที่จะบาเพ็ญให้สูงขึ้นให้สะอาดให้งามผ่องให้วาวาวามยิ่งขึ้นยังจะมีปาศาธิกะยังจะทาอาการที่น่าเลืม่มใสยิ่งขึ้น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 ตอนนี้เรามีสามแค่นั้นได้มาสี่ได้มาห้า 5. เออพอใจดีใจให้ได้สี่แล้วได้ห้าแล้วพอใจดีใจไม่ใช่ไอ้นะี่มันเสพสมไอ้นะี่มันมากมากไม่ใช่ใจพ อ, อที่หลังเรามากลับภาษากันนี่ก่ะเป็นไงใจพ อ, อยังเป็นไงดียินนียัง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 อะไรอะไรพวกนี้นะมันกลายเป็นภาษาสังขารมันจิตวิญญาณมันเข้าไปร่วมกับภาษาแล้วจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณกิเลส ด, ด้วยนะวิญญาณนัสสะมันเข้าไปร่วมกับภาษาซะแล้วพระบอกว่า ย, ยินดีพอใจพอใจก็ไปหมายถึงการได้สมใจเสพสมยินดีก็หมายคำว่าต้องได้รับอะไรแล้วก็ยินดีโอ้ยได้ยศชั้นสันเสริญยินดีปรีดาได้ลาบมาเยอะๆยินดี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 สังขารเนนะี่ยไม่มีตัวมีมีตนนะคุณแต่มีฮะตราใจตอกเปลี่ยงไว้เลยเป็นรอยละนิ ม, มานรดีละบ่มไปสิพอบ่มไปหนักเข้าก็เป็นปรินิมิตวสวรตีเลยต่อไปก็ออกบทออกบาทต้องเอามาให้ได้ดังใจเป็นปรินิมิตวสวรตีนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ แล้เราต้องเข้าใจแล้วเห็นความจริงของตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่แหละมันมีตัวพวกนี้ถ้าเราล้างได้เป็นไปได้จริงเราก็สะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาทุกวันทุกวันอบรมพวกคุณได้ขนาดนี้นี่นะแค่ ว, วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยสันติอโศกเนี่ยดีนะมีตกประมาณห้าสิบถึงมไหมเนี่ยคืนหนึ่งคืนถึงนะ 50ปพระเนรยีสบไมเนรยีออีกสิบเป็น30 ส, สิบแล้วพวกเราอีกสิบกว่า20 50บห้าประมาณนั้นโดยเฉลีย่ยไม่น้อยกว่ามีแต่จะมากกว่านี้เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่าห0ในห้าสิบคนนี้ชั่วชีวิตอัตมาก่อนตายแล้วเราก็ได้เข้าใจถึงสาระแก่นสารมีชีวิตตัวอย่าง เราก็ได้สิ่งนี้ก่อนและเราก็จะเป็นตัวอย่างแก่ความเป็นมนุษย์มนุษย์ตัวอย่างเนี่เป็นมนุษย์ตัวอย่างอีกพ่นาออกเอกซ์งเอกเซนอีกม พ, ก ม, พมนุษย์ตัวอย่างมนุษย์ก็พูดภาษ า, ษาธรรมดาก็ว่า example เป็นมนุษย์ e x a m ซ l มเปลเป็นมนุษย์ตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างคํานี้ไม่ใช่พูดในคุณหลงตัวให้คนคุณ a อ t อารเน่เป็นตัว act เป็นกิเลสอีกไม่ใช่ไม่ใช่บายุแย่คนเป็นกิเลสระวังตัวเราเป็นมนุษย์ตัวอย่างแลวเป็นแล้วเป็นได้แล้วมันก็เป็นอยู่กายกรรมของเราเป็นอย่างนี้พุตธกรรมของเราเป็นอย่างนี้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 มันผลักเลยตัดรอนคนอื่นเ็รับแล้วเขาก็ไม่เอาเพราะนั้นแม้แต่กายก็ต้องให้สุจริตที่กายเป็นกายสุจริตที่ดีที่พอดีวัจจีก็เป็นวัจีที่สุจริตที่พอดีจริงๆมาจากมโนโที่พอดีมาจากมโนที่จะเป็นความเห็นเป็นความรู้แล้วก็กระทาให้ถูกตรงตามที่เรารู้เราเห็นมันมากไปก็ปรับเราจะเป็นนักปรับ เป็นนักจูนเป็นนักแอดจัสเราจะแอดจัสตัวเองอยู่เสมอแม่เล่นภาษาฝรั่งเนยะยังก็เก่งภาษาฝรั่งนักหนาเ น, นี่ยเราจะเป็นนักปรับปรับเป็นนักคอนโทรลแมหลายภาษาแล้วก็หลายคำแล้วกันนะควบคุมดูแลตนปรับตนนะ พยายามปรับเล็กปรับน้อยละเอียดรอดูมุมเหลี่ยมให้มันนิ่มนวลให้มันสุนทรีให้มันสุนทรีทรภาพหรือสุนทรารมให้มันสุนทรีภาพหรือสุนทรารมไม่ใช่โลกนะภาษานี้ไม่ใช่ว่างามสุนทราปแปลว่างามสุนทรในปแปลว่างามให้มันงามอย่างที่ได้ไดไดรูป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 ให้ข้างนอกได้ข้างนอกมันอ่อนไปเราว่าเราขยันแล้วนัใ น, นแต่ข้างนอกมันปอแปรค้นกันว่ขยันนาอะไรขยแยงต่างหากแล้วนะทาอยู่ยังก็จะทําก็ไม่ทําทําอย่างขยแยงขยแยงไม่ใช่ขยันทําให้มันขยันไม่ใช่ขยแยงทําให้เต็มรูปเต็มร่างมั่งทำให้เต็มเนื้อเต็มตัวมั่งทำอย่างแ อ, อบน้ํากลัวเปียกไม่เอา้า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 เราจะรู้เลยตลอดเวลาเราก็ปรับปรุงจิตสังขารมีอภิปโมทยังมีจิตใจยินดีร่าเริงเบิกบานสดชื่นไม่มนมองมีความขยันหมั่นเพียรทำงานทำการถึงเวลาพักเราพักถึงเวลาเพียรเราเพียรเราเพียงอยู่ก็มีจิตใจมีอภิปโมทยังมีสมาทหังมีความแข็งแรงมีสมาธิมีความสมส่วนที่มีประสิทธิภาพสมาทัง สมาทังนี่แปลว่าความสมส่วนที่มีประสิท ธ, ธิภาพอยู่เสมอได้สารัตถะอยู่เสมอสมาทังทั้งจิตนี่แปลโดยใหญ่เลยนะสมาทานังนี่แปล เ, เอาสารัตถะแปลโดยเอาอัดที่ใหญ่พยัญชนะมันก็บอกในพยัญชนะมันก็บอกสมาธหเนี่เป็นความหนุ่มอยู่เสมอทหานี่แปลว่าหนุ่มสมาสมะนี่แปลว่าเสมอมีความหนุ่มต่อเนื่องกันอยู่ อย่าแกนะคุณประโยชน์นี่ก็อย่าแกต้องหนุ่มอยู่เสมอนะหนุ่มหนุ่มนี่มีเรี่ยวแรงมีประสิทธิภาพแข็งขันเป็นคนหนุ่ม อ, อย่างยอมเปลี่ยนนี่อย่าแกนะหนุ่มอยู่เสมอน ะ, อะแค่ว่าคล่องว่อ ง, งไวไม่ใช่เหมือนกับคนแก่โอ้เฮ้ยจะตายจะเป็นอะไรเงี้หนังหนาๆนนน อ, อย่างนี้เลยก็ว่าแก อ, อย่างยมตายเงี้ย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 อ่ามันผุมันพังแล้วก็ยังจะทำเป็นหนุ่มอยู่หักโปะเลยตายแต่น้ำใจเนี่ยถ้าใจคนเรามันดีนะมั น, ม, นมันก็ยังช่วยได้ถ้าใจมันไม่เอาก่อนแล้วนะออเซาะตัวเองนะฉันแก่แล้วโถวอายุเพิ่งจะส0มสิบแก่แล้วตายไว้คนนี้นะชี้หน้าได้เลยตายไว้ ก็อายุ30มันบอกตัวเองแก่แล้วนี่มันจะเป็นยั่งยืนอะไรแล้วแต่ถ้าคนอายุ70็ดสิบรากอกฉันยังหนุ่มสมาทังะระวังมันมันจะแอคอาร์ตมากไปก็ตายไวเหมือนกันแต่ถ้าไม่แอคอาร์ตมากไปก็ยังพยายามปรับปรุงอยู่ยังออกกําลังกายนะแข็งแรงจะตายช้ายังแข็งแรงออกกําลังกายไม่เหงาะแงไม่อ้อแอตัวเองนะัเครื่องมันจะหยุดแล้วเราก็ขยันมันขึ้นมันก็เป็นไปอ่า มันก็เป็นไปมันก็ต่อได้เครื่องมันจะหยุดแล้วก็ยิ่งหยุดมันสง่งไปเลยทีฝังได้เลยจะยากอะไรนิสัชจารณนะฟังดูดีๆมันเป็นเรื่องสัจจ์สมาธาห้งแข็งแรงทำให้มีสมาธิสมาธิก็คือมันเป็นสภาพเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่แปรปรวนเราไม่สัตส่ายเราไม่เคลื่อนเปลี่ยนเราไม่ปัไปปไปะหละละแหะไม่ใช่เสียงแท้มั่นคง สมาธิสมาทังอยู่อย่างนั้นแน่เราก็เป็นอย่างนั้นเป็นคนอยู่อย่างนี้เหมือนคนไม่แก่เลยเออคนนี้มาเห็นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่แก่เลยใครเขาทักเราอย่างนี้นั่นแหละเราสมาทิังอย่างหมอสุพลมาถึงอท่านไม่เปลี่ยนเลยหนอยเอายามาให้เรากินแท่ๆยังบอกเราไม่เปลี่ยน <c oughs> หมอที่เขามาทิใหมา่ามาตรวจเมื่อไม่กี่วันเขาบอกท่านไม่เปลี่ยนว่าแก่ลงไปเยอะแล้วไม่แก่แล้วครับ ไปเท้าวความทั้งยงเราก็โอ้โหเคยซื้อรถยนต์กระแกคันหนึ่งตอนนั้นสกด้ามาใหม่ๆลืมชื่อบริษัทแล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันกระลมไปแล้วบริษัท น, น, นั้นมันเป็นเอเจนต์ขายสกด้าสกด้านี่รถคอมมนิสนะรถเชโกสโลวาเกียรุ่นแรกเลยมาเร า, เราก็ไปเออมันก็ดีเหมือนกันเนีอาซื้อก็ซื้อคันก็ซื้อคุณโสพลแกนี่แก ก็ซื้อมาคันท่งจักแก่ไม่ได้เรื่องใช้ก็ไม่ได้เรื่องแกก็ใช้ไปเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปนี่เรื่องเก่าแล้วก็มาพลืฟื้นมาเคยรู้จักกันอย่างง้นอย่างนี้ก็เคยแกเองแกเป็นคนแกท้าวความว่าที่รู้จักแกก็แ ก, แกเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็เลยเคยเอามาออกรายการโทรทัศน์ในเรื่องสัตว์แกก็เคยมาออกก็บอกว่า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 สังขารร่างกายมันไม่หนุ่มหลออมันแกจริงๆแต่สิ่งที่ยังยั่งยืนหรือสิ่งที่ยังเสมอเขาอาจจะเอาความเป็นผู้ที่เอางานเอาการอยู่อย่างเก่าเป็นแกนเมื่อก่อนนี้ก็เห็นคนเป็นคนเอางานเอาการเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคนเอางานเอาการอยู่อย่างเก่าโ oh, อ้เขายู่อย่างเก่ายังหนุ่มอยู่เสมอถ้ายังหนุ่มอยู่เลยไม่ไม่มแก่อาก็ถูกถ้าจะเอาอันนั้นนะว่าเรามีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระของเราไม่เปลี่ยนแปลง แม้เราจะแก่ด้วยสังขารร่างกายแต่เราก็ยังมีแก่นสารมีพฤติกรรมวิริยารำพะมีอาการที่น่าเรื่มใสมีความไม่สะสมเป็นแก่นสารยังนุ่มอยู่สมาธั้งอยู่เสมอยังเป็นสมาธิยังตั้งมั่นอยู่ได้ความขยันอยู่ตั้งมั่นอยู่ได้ความไม่สะสม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 เราก็มีวันนะอยู่อย่างเก่าวันนะท่านยังคงมั่นวันนะท่านยังเป็ น, นสมาธหั่งวันนะท่านยังผ่องใสวันนะท่านยังคงคงที่เป็นสมาทาหั่งและท่านก็เป็นผู้ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่วิมอจะยังถึงแม้เราจะเป็นผู้มั่นคงอย่างนี้ด้วยสาระแก่นสารเราก็ไม่หลงสาระแก่นสารนี้ว่าเป็นของเรา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 ไม่ค้านกันมีร้อยแฉกพันแฉกก็ไม่ค้านกันมีร้อยสีพันสีก็ไม่กัดกันสนับสนุนกันให้งามพร้อมสุนทรีสุนทรีงามสุนทรีนี่ไม่ใช่คารมไม่ใช่ภาษาพูดหวานหวนโกโกไม่ใช่เรื่องพูดเล่นพูดหัวเป็นภาษาที่ให้คุณสื่อหรือสื่อให้คุณ ไปสู่สาระนั้นแล้วคุณก็พยายามรู้แล้วก็ปฏิบัติประพฤติไปวันคืนของเราก็สบายเรามีชีวิตเรารู้แล้วอะไรลดละไปได้อะไรเป็นมายาเอาออกแล้วเราก็มีแก่นสารไปชีวิตหนึ่งเดินไปสู่ลุมฝังศพอาตมาอยากอายุยืนอีกสักแมอยู่ได้สักห้าสิบขณะนี้สี่สิบเจ็ดละอยู่อีกห้าสิบปีเก้าสิบเจ็ดตายไม่ดีมันจะสมารถหั่งอย่างนั้นหรือไม่ไม่รู้ มันจะตั้งมั่นอย่างนั้นหรือไม่ไม่รู้แล้วเมื่อเ7นี่มันจะยังหนุ่มอย่างนั้นหรือไม่ยังไม่รู้เลยดีนะอจูสบา ย, บายเป็นมนุษย์มนุษย์อีกซ้ำพ่อเป็นมนุษย์ตัวอย่างเป็นมนุษย์เอ็กซัมเปนี่ยเป็นมนุษย์แซมเปิลแซมเปนี่ไปถึงขนาดนั้นนี่ก็จะดี นี่ก็พูดไปโดยโวหารนะแท้จริงมันก็เป็นไปตามส่วนสมส่วนมันจะอยู่ได้นานก็ช่วยกันคุณช่วยอาตมาบ้างอาตมาช่วยคุณบ้างมันก็อยู่ได้นานถ้ามันไม่ช่วยกันมันได้แต่ช่งแก่เล่ล่ะทับถมลงไปทับถมลงไปมันก็จมตายไม่คีวันนะตายตายแงงแง่เลยไม่ต้องกลัวถ้าไม่ช่วยกันไม่ต่างคนต่างออพัฒนากันไม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 วางไว้เพื่อให้คนมาประพฤติตนมาลอล้อมตนให้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เราก็ค่อยว่ากันนะค่อยๆปรย้ำกันไปอีกนะ่เอาละวันนี้พอ <cleaning sounds>